สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิพิษุทั้งหลายหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พิสุนั้นมีสมาธิที่ไม่สงบมีสมาธิที่ไม่ปราณีตมีสมาธิที่ไม่ได้ด้วยความสงบระงับมีสมาธิที่ไม่มีภาวะเป็นหนึ่งผุดขึ้นจากแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึง ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะ ก, กําหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึง หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงระลึกชาติกนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ได้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกาลังเกิดละถึง ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นมีสมาธิที่สงบมีสมาธิที่ปราณีต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 ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะ ก, กําหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ 4. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะประลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง ละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ได้ห้าเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์แอมบริสุดเนื้อมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ 6. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้น จากทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้สมาธิสู่ที่6จบเจ็ด สัคคิภพสูตรว่าด้วยความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมโหกระการเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุธรรมโหกระการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งไม่รู้ชาติตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายเสื่อม 2. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจนริวจรวจงว่าเหล่านี้คือทาฝ่ายคงที่ 3. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือทาฝ่ายคุณวิเศษ 4. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือทำฝ่ายชัาแรกยิเลศ 5. เป็นผู้ไม่ทําความเคารพ 6. เป็นผู้ไม่ทาสิ่งที่เป็นสัพพายะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นียนี้ 1. รู้ชาติตามความเป็นจริงว่า เหล่านี้คือทําฝ่ายเสื่อม 2. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือทําฝ่ายคงที่ 3. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือทําฝ่ายคุณวิเศษ 4. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือทําฝ่ายชํามแรกกิเลสหเป็นผู้ทําความเคารพ 6. เป็นผู้ทําสิ่งที่เป็นสัปปายะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แหลเป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุสักขีภ พ, พ, พสูตรที่เจ็ดจบแปด พละสูตรว่าด้วยความมีกําลังในสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห6ประการเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความมีกําลังในสมาธิได้ทำหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. เป็นผู้มีฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ มเป็นผู้มีฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้มีทำความเคารพ 5. เป็นผู้ไม่ทำให้ติดต่อ 6. เป็นผู้ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหประการนี้แลเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหประการ เป็นผู้อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้ทํหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 3. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้ทำความเคารพ 5. เป็นผู้ทำให้ติดต่อ 6. เป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัพ ป, ปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้แลเป็นผู้อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้พระสูตรที่8จบก้า ปฐมัาชาญสูตรว่าด้วยการบรรลุปฐมฌานสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทํา6ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม 4อุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 6. ไม่เห็นโทษในการมทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำห6ประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. กรามฉันทะ 2. พยาบาท 3. ทีนามิทะ 4. อุทจจกุกุจจะ 5. วิจิกิจฉา 6. เห็นโทษในกรารมทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำหกประการ น, นี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ ปฐมตัชานสูตรที่9จบสิทุติยตัชาณสูตรว่าด้วยการบรรลุปฐมฌานสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทํา6ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ถ้ามหรหการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตกความตรึกในทางกาม 2. พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทสวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน 4. กามสัญญาความกาหนดหมายในทางกาม 5. พยาบาทสัญญาความกาหนดหมายในทางพยาบาท วิหิงสาสัญญาความกําหนดหมายในทางเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทาหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทาหกประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทาหกประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาวิตก 4. การมสัญญา 5. พยาบาสัญญา 6. วิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหประการ น, นี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทุติยตัชานสูตรที่10บจบเทวตารักษ์ที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวัรคนี้คือหนึ่ง อนาคามิผลสูตร 2. อารหัตสูตร 3. มิตรสูตร 4. สังคณิการามสูตร 5. เทวตาสูตร 6. สมาธิสูตร 7. สักขิพภะสูตร 8. พระสูตร 9. ปฐมตัดชานสูตร 10. ทุติยตัดชานสูตร อรหัตตวัคหมวดว่าด้วยอรหัตตผลหนึ่งทุกขสูตรว่าด้วยทำที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหกประการย่อมอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นใจเล่าร้อนในภพนี้แหลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุขติทำหกประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาววิตก 4. กามสัญญา 5. พยาบาทสัญญา 6. วิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนครับแค้นใจเร่าร้อนในภพนี้แลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหกประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ขับแค้นใจไม่เร่าร้อนในภพนี้แหลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. นเนคขมะวิตกความตรึกปลอดจากกาม 2. องอภยาบาตรวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท 3. อวิหิงสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน 4. เนคขมะสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากกราม 5. อภยาบาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากพยาบาท 6. อวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ขับแค้นใจ ไม่เร่าร้อนในภพนี้แลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติทุกขสูตรที่หนึ่งจบ 2. ออรหัตสูตรว่าด้วยอรหัตผลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละทำหประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำหประการอะไรบ้างคือ 1. มานะความถือตัว 2. โอมานะความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 3. อาอติมานะความดูหมิ่นเขา 4. อธิมานะความเข้าใจผิด 5. ถามภะความหัวดือ้อ 6. อตินิปาตะ ความดูหมิ่นตนเองว่าเป็นคนเลวภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการ น, นี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทําให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำหกประการได้แล้วจึงอาจทําให้แจ้งอรหัตผลได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. มานะสองโอมานะสอติมานะ 4. อธิมานะ 5. ธรรมพะ 6. อตินิปาตะภิกษุทั้งหลายภิกษุละทรห6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อรหัตสูตรที่สองจบ 3. อุตริมนุสธรรมสูตรว่าด้วยยาณทัศนะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรมหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัมปชัญญะ 3. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 4. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 5. การหลอกลวง 6. ก, การพูดป้อยอภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ภิกษุทั้งหลายภิษุละรรมประการได้แล้ว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 ภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อุตริมนุสธรรมสูตรที่สจบ4 สุขสมนัติสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขสมนัตภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้มากด้วยสุขสมนัติอยู่ในปัจจุบันทีเดียวและเป็นผู้ปรารคเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ยินดีในธรรม 2. เป็นผู้ยินดีในภาวนา 3. เป็นผู้ยินดีในการละ 4. เป็นผู้ยินดีในปวิเวก 5. เป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาท 6. เป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเครื่องเลื่อนช้าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้แหลเป็นผู้มากด้วยสุโสมนัตอยู่ในปัจจุบันทีเดียว และเป็นผู้ปรารบเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายสุขสมณะสูตรที่สจบ 5. อาิคมะสูตรว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรมภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมประการเป็นผู้มิอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ธรรมประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิไนนี้หนึ่งเป็นผู้มิฉลาดในความเจริญสองเป็นผู้มิฉลาดในความเสื่อมสามเป็นผู้มิฉลาดในอุบายสไม่สร้างฉันทะ เพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 5. ไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 6. ไม่ทํากุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทําติดต่อภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้ม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทํากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการ เป็นผู้อา่านบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ทํา6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในความเจริญ 2. เป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม 3. เป็นผู้ฉลาดในอุบาย 4. สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 5. รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 6. ทํากุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทาติดต่อภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนี้แหลเป็นผู้อา่านบรรลุ ก, กุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้อธิคมะสูตรที่5จบ มหาตสูตรว่าด้วยการบรรลุความเป็นใหญ่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหประการไม่นานนักย่อมบรรลุความเป็นใหญ่ความไพยบูรณ์ในธรรมทั้งหลายทำหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้มากด้วยแสงสว่าง 2. เป็นผู้มากด้วยความเพียร 3. เป็นผู้มากด้วยความปราบลืม้ม 4. เป็นผู้มาด้วยความไม่สันโดษ 5. เป็นผู้ไม่ทอดทุระ 6. ททำความเพียรให้ยิ่งขึ้นในครูสนธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลไม่นานนักย่อมบรรลุความเป็นใหญ่ความไพูโบ์ในธรรมทั้งหลายมหัตสูตรที่6จบ เปฐมมะนิริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกสูตรที่หนึ่งพิสุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ หเป็นผู้มีความปรารถนาชั่ว 6. เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการ น, นี่แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมหประการอะไรบ้างคือหนึ่ง เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์สองเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์สามเป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกรามสี่เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จห้าเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่วหกเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ปฐมมริยสูตรที่7จบ 8. ทุติยนิริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำห6ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำห6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้พูดเท็จ 2. เป็นผู้พูดส่อเสียด 3. เป็นผู้พูดคำหยาบ 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อห้าเป็นผู้มักโลภ 6. เป็นผู้มีความขนองภิกษุทั้งหลาย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 3. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบ 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเพอเจ้อ 5. เป็นผู้ไม่มักโลภ 6. เป็นผู้ไม่มีความขนองภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุติยนิริยสูตรที่8จบ 9. อภธรรมสูตรว่าด้วยธรรมชั้นเลิศภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้มีอาจทำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้ธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีหิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตตะปะ สี่เป็นผู้เกียดคร้านห้าเป็นผู้มีปัญญาสามหกเป็นผู้ห่วงใยกายและชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้แหลเป็นผู้มีอาททำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้อาททำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้ ทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีโอตตะปะ 4. เป็นผู้ปรารบความเพียร 5. เป็นผู้มีปัญญา 6. เป็นผู้มีห่วงใ ย, ยกายและชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทาหกประการนี้แล เป็นผู้อา่านทำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้อคคธรรมสูตรที่9จบ 10. รัติที่วสสูตรว่าด้วยวันและคืนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรหกประการเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปผึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในขุสนธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มากๆ ม, มีความคับแค้นใจไม่สันโดดด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจัยเพศสัต์บริขารตามแต่จะได สเป็นผู้ไม่มีศรัทธา 3. เป็นผู้ทุศีล 4. เป็นผู้เกียดคร้าน 5. เป็นผู้หลงลืมสติ 6. เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในคุณสนธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มากมากไม่มีความคับแค้นใจสันโดษ ด, ด้วยจีวอนปินตาบาดเสนาสนะและคีฬานปัจัยเพสรรบริคานตามแต่จะได 2. เป็นผู้มีศรัทธา 3. เป็นผู้มีศีล 4. เป็นผู้ปรารบความเพียร 5. เป็นผู้มีสติ 6. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แหลเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในคุณสธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลย รติที่วะ ส, ะสูตรที่10บจบอรหัตวากที่8จบรวมพระสูตรที่มีนิวัก์นี้คือ 1. ทุกขสูตร 2. อรหัตสูตร 3. อุตริมนุสธรรมสูตร 4. สุขสมณะ ส, สูตร 5. อธิคมะสูตร 6. มหัตต ะ, ะ, ะสูตร 7. ปฐมานิริยสูตร ทุติยนิรยสูตรเก้อาอภคธรรมสูตรสิบรติทิวะ ส, สูตรเก้าสีติวักหมวดว่าด้วยสีติภาวะหนึ่งสีติภาวะสูตร ว่าด้วยสีติภาวะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกสุทั้งหลายพิกสุประกอบด้วยทำหกประการเป็นผู้ไม่อาจทำให้แจ้งสีติภาวะสภาวะที่เย็นอันยอดเยี่ยมทำหกประการอะไรบ้างคือภิกสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มสองไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง มไม่ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 4. ไม่วางจิตในสมัยที่ควรวาง 5. น้อมไปในธรรมที่เลว 6. ยินดียิ่งในสักกายทิฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้มีอาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ เป็นผู้อานทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. คมจิตในสมัยที่ควรข่ม 2. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 3. ทํทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 4. วางจิตในสมัยที่ควรวาง 5. น้อมไปในธรรมที่ประณีต 6. ยินดียิ่งในนิพานภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้แหลเป็นผู้อาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมสีติภาวะสูตรที่หนึ่งจบสอง อาวารณตาสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องกัน้นภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหกประการแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สมมะตินิยามในคุณธรรมทั้งหลายได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกัน้น 2. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกัน้น 3. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิปากเป็นเครื่องกั้น 4. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 5. เป็นผู้ไม่มีฉันทะ 6. เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้แหลแม้ฟังสัตยธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวล่วงสู่ส ม, มตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมประการฟังสัจธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมตานิยามในคุณสธรรมทั้งหลายด้ทนธรรมกประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้น 2. เป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น 3. เป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น 4. เป็นผู้มีศรัทธา 5. เป็นผู้มีฉันทะ 6. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลฟังสัตยธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมตนิยามในคุณสมธรรมทั้งหลายได้อวรณตาสูตรที่สองจบสโวโรปิตสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำหกประการแม้ฟังสัตว์ธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สมมตนิยามในคุณสธรรมทั้งหลายได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่ามารดา 2. เป็นผู้ฆ่าบิดา 3. เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ 4. เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้นห เป็นผู้ทําลายสงให้แตกกัน 6. เป็นผู้มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอะพิษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่ส ม, มัตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหกประการฟังสัจธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่ส ม, มัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่ฆ่ามารดา 2. เป็นผู้ไม่ฆ่าบิดา 3. เป็นผู้ไม่ฆ่าพระอรหันต์ 4. เป็นผู้ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5. เป็นผู้ไม่ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 6. เป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะิกทสุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลฟังสัต์ธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สมมันนิยามในคุณสนธรรมทั้งหลายได้โวโรปิตสูตรที่สจบสสุสูสติสูตรว่าด้วย การฟังด้วยดีภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่ส ม, มตนิยามในครูสนธรรมทั้งหลายได้ธรรมหประการอะไรบ้างคือเมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 1. ไม่ตั้งใจฟังด้วยดี 2. ไม่เงี่ยโสดสดับ 3. ไม่ตั้งใจใฝ่รู้ สถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. ประกอบด้วยอ น, นัตโโลมิกขันติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการฟังสัจธรรมอยู่ อาจเพื่อก้าวลงสู่สัมมตนิยามในคุสนธรรมทั้งหลายได้ทำหกประการอะไรบ้างคือเมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ทัาคตประกาศไว้ 1. ตั้งใจฟังด้วยดี 2. เ ง, งี่ยโส ด, สดับ 3. ตั้งใจไฝ่รู้ 4. ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 6. ประกอบด้วยอนุโลมิกะคันติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการ น, นิแลฟังสัตว์ธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สมะตนิยามในกรูสธรรมทั้งหลายได้สุดสูสติสูตรที่ 4, สีจบ 5. ้าอภัยยะสูว่าด้วยธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรมหประการไม่ได้ ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ทาหกประการอะไรบ้างคือ 1. ส ก, กายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตา 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสาสีลพะตะปรามา m ความถือมั่นศีลพรด 4. ราคะเป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะเป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะเป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำหกประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. นส ก, กายทิฏฐิ 2. วิจิกิจชา 3. สามศีลปะตะปรามาต 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำหประการ น, นี้ได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้อปหยยะสูที่หจบ